ทนาติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยบสองสภาวธรรมที่มีสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจใจได้แก่สุขเวทนาและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะไม่มีมหาภูตรูป สภาวธรรมที mm ่ไ hmm. ม่ ain. สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทารูปอาศ nah ัยขันหนึ <im> ่งท <kindergarten. S 1> ี <im iros> ่สัมปยุทธ <im> ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา และที่มีสัมปายุด้วยทุกขโมขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมปยุดด้วยอทุกขโสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมปะยุดด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา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 และที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสโภเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกโภเทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกโภเทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขโภเทนาที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขโมสโภเวทนาอาศัยสภาวธรรม ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย 14. สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติด้วยทุกขโมกขโ v e h i c นาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติด้วยสุขโ v e h นาและที่ไม่สัมพยุติด้วยทุกขมสุขโ v e h นาอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติด้วยทุกขโมกขโ v e h นาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมพยุติด้วยทุกขมสุขโ v e h นาอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติด้วยทุกขโมกขโ v e h นา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่มิสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาที่มิสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและที่มิสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบเอดวาระละถึงปเรชาตปัจจัยมีสิบสีวาระอายจิวนาปัจจัยมีสิบสีวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิเอดวาระปัจจะนยะนเหตุปัจจัยสิหสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะนเหตุปัจจัยย่อนัเหตุปัจจัยมี21วาระนัอารรมณปัจจัยมี21วาระและถึงนักกรรมะปัจจัยมี9วาระและถึงนวิปยุตตปัจจัยมี14วาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมี21วาระสะาชาตะวาระปัจจยวาระเนศยวาระสังสัตวาระและสัมปยุตตะวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ 2. เวทนาติกะเจปัญหาวาระปัจจะจะตุกนาเหตุปัจจัยบหสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นป claro> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา และที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนาที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัย ย่อเฮตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระพึ่งขยายปัญหาวาระให้พิจารณาสวิปากติกะ หปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจสิบเจ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 อาศัยสภาวธรรมที Welt ่เป anyway, ็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 เกิดขึ้นเพราะเหตุป as life as life ัจจัยสภาวธรรมที <Halo. S 2> ่ไม่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระยี่สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศาัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระยอ่อ22เหตุปัจจัยมี23วาระอารมณะปัจจัยมี14วาระอธิปติปัจจัยมี19วาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระอาสิวณปัจจัยมี9วาระ ละถึงวิปากะปัจจ huh ัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียีสิบาวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสิบแปวาระณอารมะณปัจจัยมีสิบ้าวาระณอธิปติปัจจัยมี23าวาระละถึงนกรรมะปัจจัยมีหกวาระณวิปากะปัจจัยมีส enfin ิบอดวาระณอาหารปัจจัยมีสามวาระณอินทรียปัจจัยมีสามวาระ ณชาณปัจจัยมีหกวาระเนื้อมขะปัจจัยมีสิห้าวาระละถึงณวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสิห้าวาระพึงขยายสหชาตะวาระปัจจยวาระนิศยาวาระสังสัถวาระและจำปยุตตะวาระให้พิสดาร 3. วิปากติกะ 7. ปัญหาวาระ ปัจจะยะจะตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่เกิดวิปากทั้งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิปากโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิปากโดยเหตุุปัจจัยยี่สิสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากโดยระมะนะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปาก เป็นป baptism, religion, faith, like and and and <S <s> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและที่ไม네่ใช่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิปาก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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากโดยรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและมิใช่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก เป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากและที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก โดยอารมณปัจจัยมีหวาระยอ่อยี่สิห้าเฮตุปัจจัยมี13าวาระอารมณปัจจัยมี18ดวาระอธิปติปัจจัยมี17วาระอนนนตระปัจจัยมีสิหวาระละถึงสหชาตะปัจจัยมี23าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบาวาระนิสยาปัจจัยมี26วาระอุปานิสยาปัจจัยมีสิบแปดวาระ ปุรชาตะปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีหกวาระกรมมปัจจัยมีสิบสี่วาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอาหารปัจจัยมีสิบสามวาระอินทรียปัจจัยมีสิบแปดวาระชาณะปัจจัยมีสิบสามวาระมรรคปัจจัยมีสิบสามวาระสมบยุตาปัจจัยมีเก้าวาระละถิง วิปยุตตะปัจจัยมีสิบสองวาระและถึงอวิคตะปัจจมียี่สหวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิจาราล 4. อุปาทินนติกะหนึ่งปฏิจจวาระ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 ไม่เป็นอารมณ์ของอุป า, าทานอาศัยจัรกรวาธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุป า, าทานและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุป า, าทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อยี่สิบเจ็ดเหตุปัจจัยมีสิบเก้าวาระอารมณ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระละถึง สหชาตปัจจัยมี19วาระละถึงอาศิวนปัจจัยมีหวาระละถึงวิปากะปัจจัยมี13วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี19วาระพึงขยายสหชาตาวาระปัจจยวาระนิจยวาระสังจัตตวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาสีอุปาทินนาติกะ 7. ปัญหาวาระ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 ธิปฏิปัจจัยมี11วาระอนันตรปัจจัยมี16วาระละถึงสหชาตะปัจจัยมี19วาระอัญญัญยปัจจัยมี9วาระนิษยปัจจัยมี23วาระอุปนิษียปัจจัยมี18วาระบุเรชาตะปัจจัยมี16วาระปัจชาชาตะปัจจัยมี15วาระอาเศเวณปัจจัยมี5วาระกรมปัจจัยมี15วาระ วิปากะปัจใจมีสิบวาระอาหาระปัจใจมียี่สิบวาระอินทรียะปัจใจมีสิบสามวาระชานะปัจใจมีสิบสามวาระมัคคะปัจใจมีสิบสามวาระสัมปยุตตะปัจใจมีเก้าวาระวิปยุตตะปัจใจมีสิบหกวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบหวาระพึ่งขยายปัญหาวาระให้พิจารณาห้ 5. สังกิริทติกะ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 และที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมี19วาระอารมณ์ปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสิบอดวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี19้าวาระ พึงขยายสหชาติวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสัถาวาระสำปรยุติวาระให้พิดารในปัญหาวาระไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันสาสองเหตุปัจจัยมีสิบสาวาระอารมณ์ปัจจัยมีสิบ้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบ้าวาระอานันตร์ปัจจัยมีสิหวาระและถึงสหชาติปัจจัยมี19้าวาระ พัญยมัญญปัจัยมี9้าวาระนิสยปัจจัยมี่สิหวาระปุกานิสยปัจจัยมี17วาระปุเรชาตะปัจจัยมีหวาระปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระาเสวนปัจจัยมีแปดวาระกรรมปัจจัยมีสิบามวาระวิปากะปัจจัยมีแปดวาระอาหารปัจจัยมีสิบาวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสิบามวาระ สัมปยุตตะปัจจัยมี9้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตะปัจจมีมี่6หวาระ